สมัญญาต่างๆของภิกษุภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เรียกว่าสมณะบ้างพราหมบ้างนหาต ก, กะบ้างเวทคูบ้างโสติยะบ้างอริยะบ้างอารหันบ้างภิกษุชื่อว่าสมณะเป็นอย่างไรคือบาปอคตุรธรรมที่ก่อให้เกิดความเศร้าหมองนำไปเกิดในภพใหม่ มีความกรว์กระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชารามรณะต่อไปภิกษุนั้นระ ง, งับได้แล้วภิกษุชื่อว่าสมณะเป็นอย่างนี้ภิกษุชื่อว่าพราหมณ์เป็นอย่างไรคือบาปอากุศลธรรมที่ก่อให้เกิดความเศร้าหมองนำไปเกิดในภพใหม่มีความกรวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชารามรณะต่อไป ภิกษุนั้นลอยได้แล้วภิกษุชื่อว่าพรามเป็นอย่างนี้ภิกษุชื่อว่านหาตกะเป็นอย่างไรคือบาปอากุศลธรรมที่ก่อให้เกิดความเศร้าหมองนำไปเกิดในภพใหม่มีความกรวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชะรามรณะต่อไปภิกษุนั้นอาบล้างแล้วภิกษุชื่อว่านหาตกะเป็นอย่างนี้ ภิกษุชื่อว่าเวทคูเป็นอย่างไรคือบาปอากุศลธรรมที่ก่อให้เกิดความเศร้าหมองนำไปเกิดในภพใหม่มีความกรวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชารามรณะต่อไปภิกษุนั้นรู้แจ้งแล้วภิกษุชื่อว่าเวทคูเป็นอย่างนี้ภิกษุชื่อว่าโสติยะเป็นอย่างไร คือบาปอากุโสลธรรมที่คอยเกิดความเศร้าหมองนำไปเกิดในภพใหม่มีความกระวนกระวายมีทุกข์เป็นวิบากให้มีชาติชรามรณะต่อไปภิกษุนั้นทําให้หลับหมดแล้วภิกษุชื่อว่าโสติยะเป็นอย่างนี้ภิกษุชื่อว่าอริยะเป็นอย่างไรคือบาปอากุโสลธรรมที่คอยเกิดความเศร้าหมองนำไปเกิดในภพใหม่ มีความกรวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชรามรณะต่อไปภิกษุนั้นทำลายได้แล้วภิกษุชื่อว่าอริยะเป็นอย่างนี้ภิกษุชื่อว่าอารหันต์เป็นอย่างไรคือบาปอกุศลธรรมที่ก่อให้เกิดความเศร้าหมองนำไปเกิดในภพใหม่มีความกรวนกระวายมีวิบากเป็นทุกข์ให้มีชาติชรามรณะต่อไป ห่างไกลจากภิกษุนั้นภิกษุชื่อว่าอารหันต์เป็นอย่างนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัพยสิทธินี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แหลมหาอสุปุระสูตรที่ข้าวจบ จูลอัสปุระสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ในอัสปุระนิคมสูตรเล็กการบวชเหมือนมีสองคมข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่อัสปุระนิคมของพระราชกุมารชาวอังคะในแคว้นอังคะณนะที่นั้นแหลพระผู้มีพระภาคได้รับเสียงเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายมูชนย่อมรู้จากเธอทั้งหลายว่าสมณะสมณะก็เธอทั้งหลายเมื่อเขาถามว่าท่านทั้งหลายเป็นอะไรก็ปฏิญญาว่าเราทั้งหลายเป็นสมณะเมื่อเธอทั้งหลายนั้นผู้มีชื่ออย่างนี้มีปฏิญญาอย่างนี้ก็ควรสาเนียกว่า เราทั้งหลายจะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่สมควรแก่สมณะเมื่อเราทั้งหลายปฏิบัติอยู่อย่างนี้ชื่อและปฏิญญานี้ของเราทั้งหลายก็จะเป็นความจริงแท้ใช่แต่เท่านั้นเราทั้งหลายใช้สอยจีวอนบินทบาทเสนาสนะและคีลานปัจจัยเพศสัตว์ปริคารของทายกเหล่าใดปั จ, จัจทั้งหลายนั้นของทายกเหล่านั้นก็จะมีผลมากมีอาณิสง ม, มาก เพราะเราทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งบรรพชานี้ของเราทั้งหลายก็จะไม่เป็นหมันจกมีผลมีความเจริญภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายควรสำเนียกอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่า เป็นผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่สมควรแก่สมณะเป็นอย่างไรเคอภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมีอภิชามากยังละอภิชาไม่ได้มีจิตพยาบาทยังละพยาบาทไม่ได้เป็นผู้มักโกรธยังละความมักโกรธไม่ได้มีความผูกโกรธยังละความผูกโกรธไม่ได้มีความลบหลู่ยังละความลบหลู่ไม่ได้ มีความตีเสมอยังละความตีเสมอไม่ได้มีความริษยายังละความริษยาไม่ได้มีความตรณียังละความตรณีไม่ได้มีความโอ้อวดยังละความโอ้อวดไม่ได้มีมารยายังละมารยาไม่ได้มีความปรารถนาที่เป็นบาปยังละความปรารถนาที่เป็นบาปไม่ได้มีความเห็นผิดยังละความเห็นผิดไม่ได้ เพราะยังละกิเลส ท, ที่เป็นมลทินของสมณะเป็นโทษของสมณะเป็นดุดน้ำฝาดของสมณะซึ่งเป็นเหตุให้เกิดในอบายและมีวิบากที่จะพึงเสวยในทุกติเหล่านี้ไม่ได้เราจึงกล่าวว่าภิกษุนั้นเป็นผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่สมควรแก่สมณะภิกษุทั้งหลายอุปมาเหมือนอาวุธที่ชื่อมะตะชะมีคมสองข้าง ทั้งชุบและรับดีแล้วสอดไว้ในฝักแม้ฉันใดเรากล่าวว่าบรรพชาของภิกษุนี้ก็มีอุปมาชันนั้นมิใช่สมณะด้วยเครื่องแบบและวัดภิกษุทั้งหลายเราไม่กล่าวว่า บุคคลผู้นุ่งห่มผ้าซ้อนมีความเป็นสมณะด้วยอาการเพียงการนุ่งห่มผ้าซ้อนเราไม่กล่าวว่าบุคคลผู้เถอเพศเปลือยกายมีความเป็นสมณะด้วยอาการเพียงการเปลือยกายเราไม่กล่าวว่าบุคคลผู้หมักหมมด้วยทุลีมีความเป็นสมณะด้วยอาการเพียงการหมักหมมด้วยทุลีเราไม่กล่าวว่าบุคคลผู้อาบน้ำมีความเป็นสมณะ ด้วยอาการเพียงการลงอาบน้ำเราไม่กล่าวว่าบุคคลผู้อยู่โคนไม้เป็นวัดมีความเป็นสมณะด้วยอาการเพียงการอยู่โคนไม้เป็นวัดเราไม่กล่าวว่าบุคคลผู้อยู่ในที่แจ้งเป็นวัดมีความเป็นสมณะด้วยอาการเพียงการอยู่ในที่แจ้งเป็นวัดเราไม่กล่าวว่าบุคคลผู้ยืนแงหน้ามีความเป็นสมณะด้วยอาการเพียงการยืนแงหน้า เราไม่กล่าวว่าบุคคลผู้บริโภคพัดตามวาระมีความเป็นสมณะด้วยอาการเพียงการบริโภคพัดตามวาระเราไม่กล่าวว่าบุคคลผู้ท่องมนมีความเป็นสมณะด้วยอาการเพียงการท่องมนเราไม่กล่าวว่าบุคคลผู้ขมวดผมมีความเป็นสมณะด้วยอาการเพียงการขมวดผมหากบุคคลนุ่งห่มผ้าซ้อนมีอภิชามาก จะพึงละอภิชาได้ด้วยอาการเพียงการนุ่งห่มผ้าซอนมีจิตพยาบาทจะพึงละพยาบาทได้มีความมักโกรธจะพึงละความมักโกรธได้มีความผูกโกรธจะพึงละความผูกโกรธได้มีความลบหลู่จะพึงละความลบหลู่ได้มีความตีเสมอจะพึงละความตีเสมอได้มีความริษยาจะพึงละความริษยาได้ มีความตรณีจะพึงละความตรนีได้มีความโอ้อวดจะพึงละความโอ้อวดได้มีมารยาจะพึงละมารยาได้มีความปรารถนาที่เป็นบาปจะพึงละความปรารถนาที่เป็นบาปได้มีความเห็นผิดจะพึงละความเห็นผิดได้ด้วยอาการเพียงการนุ่งห่มผ้าซอนไซมิดอมาตยาสาโลหิต ก็จะพึงให้บุคคลนั้นนุ่งห่มผ้าซ้อนตั้งแต่เกิดทีเดียวพึงชักชวนผู้นั้นให้นุ่งห่มผ้าซ้อนอย่างเดียวว่าท่านผู้มีหน้าอิ่มเอิบมาเถิดท่านจงนุ่งห่มผ้าซ้อนท่านผู้นุ่งห่มผ้าซ้อนอยู่มีอภิชามากก็จักละอภิชาได้ด้วยอาการเพียงนุ่งห่มผ้าซ้อนมีจิตพยาบาทก็จักละพยาบาทได้มีความมักโกรธก็จักละความมักโกรธได้ มีความผโกโกรธก็จักละความผโกโกรธได้มีความลบหลู่ก็จักละความลบหลู่ได้มีความริษยาก็จักละความริษยาได้มีความตรหนีก็จักละความตระหนีได้มีความโอ้อวดก็จักละความโอ้อวดได้มีมารยาก็จักละมารยาได้มีความปรารถนาที่เป็นบาปก็จักละความปรารถนาที่เป็นบาปได้มีความเห็นผิด ก็จกละความเห็นผิดได้ด้วยอาการเพียงการนุ่งห่มผ้าซ้อนภิกษุทั้งหลายเพราะเราเห็นบุคคลบางคนในโลกนี้แม้นุ่งห่มผ้าซอนอยู่ยังมีอภิชามากมีจิตพยาบาทมีความมักโกรธมีความผูกโกรธมีความลบหลู่มีความตีเสมอมีความริษยามีความตรณีมีความโอ้อวดมีมานยา มีความปรารถนาที่เป็นบาปมีความเห็นผิดฉะนั้นเราจึงไม่กล่าวว่าบุคคลที่นุ่งห่มผ้าซ้อนมีความเป็นสมณนะด้วยอาการเพียงนุ่งห่มผ้าซ้อนหากบุคคลถือเพศเปลือยกายละถึงหากบุคคลหมักห ม, มมด้วยทุลีหากบุคคลอาบน้ําหากบุคคลอยู่โคนไม้หากบุคล ค, บคลอยู่ในที่แจ้งหากบุคคลยืนแงหน้า หากบุคคลบริโภคพัดตามวาระหากบุคคลท่องมนหากบุคคลขมวดผมมีอภิชามากจะพึงละอภิชาได้ด้วยอาการเพียงการขมวดผมมีจิตพยาบาทจะพึงละพยาบาทได้มีความมักโกรธจะพึงละความมักโกรธได้มีความผูกโกรธจะพึงละความผูกโกรธได้มีความลบหลู่จะพึงละความลบหลู่ได้ มีความตีเสมอจะพึงละความตีเสมอได้มีความริศยาจะพึงละความริศยาได้มีความตรนีจะพึงละความตรหนีได้มีความโอ้อวดจะพึงละความโอ้อวดได้มีมานยาจะพึงละมานยาได้มีความปรารถนาที่เป็นบาปจะพึงละความปรารถนาที่เป็นบาปได้มีความเห็นผิดจะพึงละความเห็นผิดได้ด้วยอาการเพียงการขมวดผมไซ มิตรอมาตย่าสาโลหิตก็จะพึงให้บุคคลนั้นขมวดผมตั้งแต่เกิดทีเดียวพึงชักชวนผู้นั้นให้ขมวดผมอย่างเดียวว่าท่านผู้มีหน้าอิ่มเอิบมาเถิดท่านจงเป็นผู้ขมวดผมท่านผู้ขมวดผมอยู่มีอภิชามากก็จักละอภิชาได้ด้วยอาการเพียงการขมวดผมมีจิตพยาบาทก็จักละพยาบาทได้มีความมักโกรธก็จักละความมักโกรธได้ มีความผูกโกรธก็จักละความผูกโกรธได้มีความลบหลู่ก็จักละความลบหลู่ได้มีความตีเสมอก็จักละความตีเสมอได้มีความริษยาก็จักละความริษยาได้มีความตรนีก็จักละความตรนีได้มีความโอ้อวดก็จักละความโอ้อวดได้มีมารยาก็จักละมารยาได้มีความปรารถนาที่เป็นบาป ก็จักละความปรารถนาที่เป็นบาปได้มีความเห็นผิดก็จักละความเห็นผิดได้ด้วยอาการเพียงการขมวดผมภิกษุทั้งหลายเพราะเราเห็นบุคคลบางคนในโลกนี้แม้ขมวดผมอยู่ก็ยังมีอภิชามากมีจิตพยาบาทมีความมักโกรธมีความผูกโกรธมีความลบหลู่มีความตีเสมอมีความริษยามีความตรหนี มีความโอ้อวดมีมารยามีความปรารถนาที่เป็นบาปมีความเห็นผิดฉะนั้นเราจึงไม่กล่าวว่าบุคคลผู้ขมวดผมมีความเป็นสมณนะด้วยอาการเพียงการขมวดผม ข้ปฏิบัติที่สมควรแก่สมณนะภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่สมควรแก่สมณะเป็นอย่างไรคือภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมีอภิชามากก็ละอภิชาได้มีจิตพยาบาทก็ละพยาบาทได้มีความมักโกรธก็ละความมักโกรธได้มีความผูกโกรธก็ละความผูกโกรธได้มีความลบหลู่ก็ละความลบหลู่ได้ มีความตีเสมอก็ละความตีเสมอได้มีความริษยาก็ละความริษยาได้มีความตรนีก็ละความตรนีได้มีความโอ้อวดก็ละความโอ้อวดได้มีมานยาก็ละมานยาได้มีความปรารถนาที่เป็นบาปก็ละความปรารถนาที่เป็นบาปได้มีความเห็นผิดก็ละความเห็นผิดได้เพราะละกิเลสที่เป็นมลทินเป็นโทษ เป็นดูดน้ำฝาดของสมณนะเป็นเหตุให้เกิดในอบายและมีวิบากที่ตนจะพึงเสวยในทุกติเหล่านี้ได้เราจึงกล่าวว่าภิกษุนั้นเป็นผู้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่สมควรแก่สมณนะภิกษุนั้นย่อมพิจารณาเห็นตนบริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วจากบาปอากุศลธรรมทั้งปวงนี้เมื่อเธอพิจารณาเห็นตนบริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วจากบาปอากุศลธรรมทั้งปวงนี้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 ไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ภิกษุทั้งหลายสระโบคหรณีมีน้ําใสบริสุทธิ์เย็นสะอาดมีท่าดีน่ารื่นรมถ้าบุรุษมาจากทิศตะวันออกถูกความร้อนแผดเผาร้อนลําบากกระหายอยากดื่มน้ําเขามาถึงสระโบกรณีนั้นแล้วก็บรรเทาความอยากดื่มน้ําและความกระวกระวายเพราะความร้อนได้ ถ้าบุรุษมาจากทิศตะวันตกถ้าบุรุษมาจากทิศเหนือถ้าบุรุษมาจากทิศใต้ถ้าบุรุษมาจากที่ไห น, าากนๆก็ตามถูกความร้อนแผดเผาร้อนลำบากกระหายอยากดื่มน้ำเขามาถึงสระโบคเรณีนั่นแล้วก็บรรเทาความอยากดื่มน้ำและความกรวนกระวายเพราะความร้อนได้แม้ชันใดถ้ากุลบุตรออกจากตระกูลกษัตริย์มาบวชเป็นบนรรพชิต เธอมาถึงธรรมวินัยที่สถาคตรประกาศแล้วเจริญเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาอย่างนั้นย่อมได้ความสงบระงับในภายในเรากล่าวว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่สมควรแก่สมณนะเพราะความสงบระงับในภายในนั้นถ้ากุลบุตรออกจากตระกูลพราหมณ์ถ้ากุลบุตรออกจากตระกูลแพทย์ถ้ากุลบุตรออกจากตระกูลสูตร ถ้ากุลบุตรออกจากตระกูลไหนไหๆก็ตามมาบวชเป็นบรรพชิตเธอมาถึงธรรมวินัยที่สถาคตประกาศแล้วเจริญเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาอย่างนั้นได้ความสงบระ ง, งับในภายในเรากล่าวว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่สมควรแก่สมณนะเพราะความสงบระ ง, งับในภายในนั้นถ้ากุลบุตรออกจากตระกูลกษัตริย์มาบวชเป็นบรรพชิต เธอทาให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสะวะเพราะอาสะวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันกุลบุตรนี้ชื่อว่าสมณะเพราะอาสะวะทั้งหลายสิ้นไปถ้ากุลบุตรออกจากตระกูลพราหมณ์ถ้ากุลบุตรออกจากตระ ก, ก, ก, ก, กูลแพทย์ถ้ากุลบุตรออกจากตระกูลสูตรถ้ากุลบุตรออกจากตระกูลไหนๆก็ตามมาบวชเป็นบนรรพชิต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 จูละอัสปุระสูตรที่ส0บจบมหายามกะวักที่สจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. จูละโคสิงขสูตร 2. มหาโคสิงคสูตร 3. มหาโคปาลสูตร 4. จูลโคปาลสูตร 5. จูลสัจกสูตร 6. มหาสัจกะสูตร 7. จูดลตันหาสังขยสูตร 8. มหาตันหาสังขยสูตร 9. มหาอสปุระสูตร 10. จูลอสปุระสูตร